ตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสุ์จะกัดคือเป็นระยะเวลาที่ว่างเปล่าจากศาสนาไม่มีอัตมีธรรมคำว่าสีนวธรรมว่าบาปว่าบุญนี่ไม่ปรากฏในความรู้สึกของประชาชนทั้งหลายเลย คงไม่มีความสนใจกันก็ไม่ทราบว่าสินทำหรือบาปมีคุณโทษเป็นประการใดบ้างมคำว่าเป็นระยะที่ร้อนมากที่สุดนั่นหมายถึงดินฟ้าอากาศร้อนคือมันร้อนภายใจิตใจของสัตว์โลกที่เต็มไปด้วยยิ่เรดซึ่งเป็นธรรมชาติที่เผาร้นคือเป็นธรรมชาติที่ร้อนอยู่แล้วเมื่อเข้าไปสิงในสถานที่ใดจุดใดจุดนั้นต้องร้อนในหัวใจใดหัวใจนั้นต้องร้อน ถ้าไม่มีน้ําดับคําว่าน้ําก็ได้เกดสีน้ำทำเป็นเครื่องดับความรุ่มร้อนภายในคือกิเลสแม่ศาสนานมีอยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าไม่สนใจจะนําน้ําสีน้ำทำเข้ามาชาล่างเข้ามาดับความรุ่มร้อนอันนี้ก็ไม่วหวที่จะร้อนเช่นเดียวกับสุญญากา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 เพราะฉะนั้นคําว่าสุญญากาศอันเป็นเรื่องใหญ่นั้นจึงมาเป็นได้กับเรื่องย่อยๆในบรรดาเราทั้งหลายที่แม้จะนับถือพุทธศาสนาอยู่ก็าตามระยะใดที่ห่างเหินจากศีลจากธรรมจากการประกอบคุณงามความดีเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือการอบรมจิตใจให้มีความสงอบล่มเยินระยะนั้นมันก็เป็นสุญญากาศได้ระยะใดที่เป็นสุญญากัศภายในจิตใจระยะนั้นใจจะร้อนใจความร้อนนั้นจะไม่เป็นสุญญากัศ มันจะร้อนของมันเรื่อยๆรื่ยคำว่าสุญญากาศคือว่างเปล่าจากเหตุจากผลจากคําว่าอัตวธรรมคําว่าบาปว่าบุญไม่ไลึกพอที่จะหาทางแก้ไขและส่งเสริมเลยท่านเรียกว่าสุญญากาศภายในจิตใจของสัตว์โลกแต่เมื่อสุญญากาศเข้าสู่จิตใจไดแม้จะมีศาสนาอยู่โดยที่ตนก็ปฏิญญาณตนว่านับถือศาสนาก็ตามแต่ขณะที่ไม่มีศาสนาไม่มีเหตุมีผลเป็นเครื่อง ยับยั้งช่างตวงตนเองทดสอบตนเองว่าผิดหรือถูกประการใดมัง้งประการใดบ้างนั้นระยะนั้นเป็นความรุ่มร้อนของขิุ่ยไม่ใช่น้อยเหมือนกันมีเรียบว่าสุญยากับมีเราเทียบเข้ามาให้ทราบถึงเรื่องสุญยากับตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้พอเลยจากนั้นแล้วก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เน่ เมื่อปรับจะรู้แล้วก็ทางสอนทำแ ก, โก่โลกโลกก็เริ่มรู้ศีลรู้ธรรมแล้วกลับตัวเป็นคนดีและมีความร่มเย็นไปเดิมดับเพราะอำนาจแห่งศีลธรรมเป็นน้ําสําหรับดับไฟพิเรนต์ตระหามัชซึ่งเป็นความรุ่งร้อนโดยหลักธรรมาชาติของมันการกล่าวไว้อย่างนั้นนี่เราย่นเข้ามาคือโอปัญญายิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของเรา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 ยุ่งกับเรื่องนั่นยุ่งกับเรื่องนี้วุ่นวายกับอารมณ์นั่นวุ่นวายกับอารมณ์นี้นั่นแหละมันเป็นศูญย์กับแล้วโดยที่เราไม่รู้บางท่านที่เขาเลากันว่าเรานั่งภาวนาเนี่มันนั่งวนนั่งวุ่นนี่เป็นนั่งศูญยก์กลางเพื่อให้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้และเพื่อให้ทันกับกลมายาของกิเลสกับความนุ่มหลงนี่ก็เป็นกิเลสประเภทน่ะ จึงต้องตั้งสติสตังตั้งท่าตั้งทางพินิจพิจารณามีเจตนามุ่งตรงหน้าที่การงานของตนในขณะที่ทำอย่ให้ความทั้งเผอเหล่านั้นเข้ามาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปกินและเอาไปกินใจนหมดนั่งทั้งเวลาไม่ปรากฏเป็นผลอะไรขึ้นมาปล่อยให้แต่กิเ้เลีให้แตะซุนยกบบรับเอาไปกินให้หมดเนี่ยไม่มีอะไรเหลือพอออกมาแล้วเฮ้ยนั่งขอหน้ําไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเล่าอะไรเลยวันนี้ะ สิ่งที่ได้เลื่องไม่พูดในเรื่องอะไรในเรื่องยุ่งเรื่องวุ่นวายนั่นสิเรื่องไปตกนรกทั้งเป็นอยู่ที่ไหนบ้างนั่นไม่พูดแล้วเราจะมาทวงเอานี้เอาศีลจากอัดจากทำเหมือนาศาสนาะเป็นนี่ศีลองชนเราเป็นเจ้าหนี้ของาศาสนาทวงอัดทวงทำเป็นเจ้าหนี้ของอัดของธทำทวเอาพรท่านมันก็ไม่ได้สิเพราะเราทําเหตุไม่ดีกับตัวเอง ภาวนาตั้งลมนานไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรหรอกว่าทศนาน้อยเราหนิวะาดูเฉยดีกว่าเหรออีแล่นน่ะหลอกไปเรื่อ ย, อยนะแต่นั่งภาวนาอยู่นั้นมันยังเห็นได้เรื่องอสิ่งที่ต้องการมันมันไม่ได้เพราะอะไรเป็นเจตนาอันหนึ่งเพียงเท่านั้นที่ว่าต้องการจะทําภาวนาแต่เจตนาที่แฝงขึ้นมาและเพิ่มพูนขึ้นโดยลระดับระดับจนกระทั่งที่ฉุดลากจิตไปสู่ที่ไหนไหนไม่รู้ไม่มี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 พอเราม่หาความสงบหาแต่ความวุ่นผลก็ได้แต่ความทุกข์ความวุ่นเหมือนนะเนนี่นเพื่อความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้โดยถูกต้องท่านไม่สอนของปลอมอันใดที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราท่านสอนให้เข้าใจให้รู้ดังที่กล่าวมาเหล่านี้มีอยู่กับจิตใจของทุกคนที่เรียกว่าสุญญากาศสุญญากาศนะ่ะว่างเปล่าจาก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 เมารู้ตาจริงแล้วจะมาโกหกโลกได้ยังไงมันเข้ากันไม่ได้เยเหตุผลไม่มีท่านทำจริงรู้จริงเห็นจริงสอนจริงแต่ผู้ที่ปลอมก็คือเราผู้รับอวัยจากท่านมาทำมาขยี้ขยำแหลกเหลวไปหมดทั้งทั้งที่เราว่าเรานับถือศาสนาเพื่อเพื่อศา ส, สนาแต่เราทำลายศาสนาซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและทําลายตัวของเราโดยไม่รู้จุดตัวเพราะความเผลอความไม่รอบครอบในตัวของเรานั่นแหละเป็นฆ่าสุดต่อเรา ดนั้นเพื่อให้ได้ผลเท่าที่ควรหรือให้ได้ผลยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงควรคำนึงถึงเหตุที่ตนทําคอยจดจ้องมองดูจุกที่ทําอย่าให้เผลอเห็จะกําหนดพุทโธก็ให้เป็นพุทโธจริงๆให้รู้อยู่กับพุทโธเท่านั้นเราไม่ต้องการสวรรค์วิมานที่ไหนแหละนอกจากคําว่าพุทโธให้กลมกลมกืนกับความรู้มีสติกํากับงานอยู่เท่านั้น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 ตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี้แล้วจะไม่เป็นอื่นต้องอยางเข้าถึงความสงบเป็นอย่างน้อยแล้วจะสงบขึ้นไปเรื่อยๆโทษที่เคยรุ่มรุมภาณาจิตใจก็จะเห็นกันรู้กันเพราะอยู่กับใจคุณค่าที่เกิดขึ้นจากใจเพราะการชำระการฝึกการพรมาณป่าปรามกิเลสออกได้มากน้อยก็จะปรากฏที่ภายในใจของเราเองเราจะเป็นผู้เห็นเองรู้เองโดยไม่ต้องฟังข่าวของ ใ, ใครทั้งนั้น เราเป็นตัวจริงเราเป็นตัวข่าวเราเป็นตัวรู้เราเป็นผู้รับทราบเราเป็นผู้เสวยผลเกิดขึ้นจากการกระทาของเราเราจะทราบด้วยกันเรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นงานที่อัจฉรยิยะมากมายกลายกองในผลที่เกิดขึ้นจากงานนี้พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ลืลโลกดูรงสารก็เพราะการกระทาภาวนาทรงกาหนดอน า, าปานะทิต ตามหลักท่านกล่าวว่าอย่างไรแต่การาต้องอดพระกยายหารโดยมุ่งหวังความตรัสรู้จากการอดพระกยายหารเท่านั้ น, น, นไม่สวยคือไม่ได้พิจารณาทางใจซึ่งเป็นความถูกต้องประกอบกันเลยยิงไม่มีทางสาเร็จได้เมื่อย้อนพระทายหงษนกลับไปถึงเรื่องตั้งแต่คาตรงพระยาวอยู่โน่นว่าได้เจริญอนาปานสติจิตใจมีความสงบจึงได้ นำเรื่องนั้นเข้ามาพิจารณาอนาปาราสติพอจิตมีความสงบสงบโดยละเอียดละอลองไปโดยลำดับก็ทรงมีทางที่จะพิจารณาไตรองโดยทางสติปัญญายกปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาอวิชาปัญญาสร้างข้าราเป็นต้นเนี่ยพอมีอยู่ในพระการมีอยู่ในพระจิตนั้นด้วยกัน ก็ทรงใจตองตามเหตุตามผลตามความตัดคำจริงที่มีอยู่ด้วยพระปัญญาพรีทาสามารถทงฉลาดรู้ขึ้นมาในปัจฉิมญาณโดยอวิชชาปัญญาที่จูงมนุษย์จูงสัตว์ทั้งหลายให้ท่องเกี่ยวอยู่ในวัฏวนเหมือนกับคนหูหนวกสัตว์หูหนวกตามบอดมาตั้งกับตั้งการพระ อ, องค์ได้สลัดปัดทิ้งหมดความบอดความถ่วงเหล่านี้ปรากฏในพระไทยว่าอาสวัคยาญาณ ได้สิ้นแล้วจากอาสวะเครื่องมืน ม, น, มนอนตะการทั้งหลายนั่นนอกจากนั้นยังกิตู ป, ปาฏายาน อ, อีกรู้ความเกิดความดับของสตัตว์ของพระองค์ยานไหนๆก็ทรงทราบไปหมดโดยตลอดตัวถึงนั่นท่านทำท่านทาจริงของท่านอย่างนั้นแล้วมานํำสิ่งที่ทรงทำแล้วทรงเห็นแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นเองมาสั่งสอนโลก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 แล้วพระพุทธเจ้าที่แต่สรู้เป็นมาแต่ละองค์แต่ละพระองค์พระองค์นั้นไม่ไ ม, ม่แต่สรู้ซ้ํากันมีแต่พระองค์เดียวเท่านั้นแต่ละครั้งละครั้งมีอันหนึ่งเรียกวาเอกนมามจริงมีพระพุทธเจ้าครั้งพระองค์เท่านั้นนี่อาธิยนเข้ามาหาเราที่กล่าวมาทางนี้เป็นได้ทั้งเราทั้งพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงว่ากว้างแค่ต่างกันสําหรับหลักฐานแห่งความจริงนั่นเหมือนกันจิตุ ป, ปาตยาน ความรูค้ความเกิดความดับรู้ที่ไหนถ้าไม่รู้สังขารที่เกิดขึ้นดับไปทั้งดีทั้งชัว่วอยู่ภายนจิตใจนี่เอาตรงนี้นี่คือปัญญาที่จะทราบตัวนี้แหละตัวที่ปรุงแต่งนี้เองตัวที่จะไปกหยิบนั่นหยิบนี่คว้านั่นคว่านี่ปรุงแต่งเรื่องพบเรื่องขาดเรื่งขีดเหลียนตัญหาอาสวะก็คือตัวนี้นี่ปัญญาพิจารณาเช่นนี้ อาสวะขมารที่เป็นกิเลสรู้ทันที่องคไหนมันก็ดับไปดับไปของมันตรงนั้นจนกลายเป็นอาสวะขาย า, ยานความรู้แจ้งแนวคำสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลายโดยสิ้นเชิงหรือตลอดทั่วถึงแ น, น่ว่าไงเราอยู่ในกับไหนเวลานี้เราต้องทดสอบเราคาถากหรือเป็นสุญญากับ พัฒกับก็ว่ากลับที่จเจริญเจริญในการประกอบความภาคเพียรในความมีสาระภายในตัวเองในวันหนึ่งหนึ่งสร้างสาระทํำขึ้นภายในจิตใจเป็นพัฒกับเนีเป็นขณะเป็นเวลาเป็นการที่จเจริญรุ่งเรืองอยู่ทุกระยะนั่งสมาธิภาวนาก็เป็นสมาธิภาวนาไม่เป็นหัวต่อโดยมีสติสตงังทั้งๆที่ไม่หลับแต่มันก็หลับดีด้วยความไม่มีสติ คึกคักวุ่นวายฝันดิบไปเรื่อยๆฝันดิบฝันสดไปเรื่อยๆเรื่องนั่นเรื่องนี้ต่อไปถึงหลุกถึงหลานถึงบ้านถึงเดือนถึงกิตการหน้าที่อะไรเมืองนอกเมืองนาที่ไหนไปหมดเอออดีตอนาคตยุ่งไปหมด น, นั่เนเห็อะไรเหดูทําไ ม, มีสติเป็นอย่างนั้นทําให้สติแล้วมันจะไม่ไปเราบังคับเวลานี้เราต้องการที่จะทําหน้าที่นี้อย่างเดียวให้เป็นพัฒต์กราบอะ มันเป็นสูญยากาศนั่นเป็นสูญยากาศนาที่กล่าบไปแล้วนั้น่ะมันนําไฟมาเผาเจ้าของเป็นสูญยากาศไม่มีศาสนาแฝงเลยขณะนั้นคือไม่มีสติสตงังไม่มีปัญญาตามรักษาเลยปลอไว้ตั้งแต่กิเลสให้กิเลสถุดลากกิจไปโดยเจ้าของไม่รู้สึกกว่าจะรู้สึกเขาปล่อยแล้วถึงรู้ตัวเวลาเขาถูกเขาลากมันฝันสดไปกับเขา เขาปล่อยแล้วคืวนมาลู่ตกูตายมันคิดไปอะไรเรื่องเล่าอะไรกัยังดีอยู่ที่ว่ากูตายมันคิดไปไรไอทีมไม่ทราบเลยที่พอพวกกลับขึ้นมาเนี่ยมันยังไงว่านั่งทำานายนตงเป็นเวลาทั้งหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงกัมดไม่เห็นได้เรื่องอะไรฮมันนั่งอะไรในเรื่องเนี่ยนอนถ้าดีกว่าล้มไปแล้วมันมันจะไปดีกว่าถ้านอกจากมันดีหมอนตอนนั้นอไปดีกว่าก็ไปดีที่หมอนไงถ้าเกิดผลเกิดประโยชน์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 ขึ้นภนาจิตใจจึงต้องอาศัยความประยันมันเพียร ง, งานทุกด้านที่เป็นผลเป็นประโยชน์เราจะสร้างวัสดุมากีดขวางไม่ให้ทำงานนั้นๆจิตถ้าสงบก็สบายทำไมสงบไม่ว่าแตการไหนจนกระทั่งวันตายก็หาความสบายไม่ได้ พรจิตวุ่นอย่จิตจะหาความสบายที่ไหนทําความเข้าใจไว้ว่าสุญญากัศอยู่ที่นี่ทัตกับก็อยู่ในผู้มีความเพียรมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวสุญญากัศก็คือปล่อยตามเรื่องตามลาตามอารมณ์ตามบุญตามกรรมไม่สาบบุญที่ไหนกรรมไหนปล่ อ, อยเรื่อยไปความปล่อยเรื่อยไปนั่นก็คือความผูกมัดตนเอง ต, อง ต, องตงัวมีรู้สึกแล้วก็จนกรอบจนมุง เจอแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาความทุกข์ใครปรารถนาแล้วในโลกนี้แต่ทําไมเจอกันทั่วโลกดินแดนนี่ก็เพราะเรื่องปลอยตามบุญตามกรรมมันเองเพราะมันไม่มีเหตุผลการปล่อยอย่างนั้นถ้าปล่อยที่เลียดบางกิเลสด้วยสติปัญญานั้นมีเหตุมีผลแต่พระพเจ้าท่านปล่อยอย่างนั้นรูปเหตุรูปผลทุกสิ่งทุกอย่างรับปล่อยไปทําลําดับลํานาปล่อยโดยลํำดั บ, ด บ, ดดบจนกระทั่งปล่อยโดยสิ้นเชิงสุดท้ายก็คือปล่อยกิเลสหมด เหนือแต่พระไทยที่บริสุทธิ์ี่พระพจ้าท่านสอนให้ปล่อยพวกเรามีแต่เที่ยวยึดเที่ยถือเที่ยวแบบจะหามหนักเท่าไหรก็อย่างมากก็บนเอาแล้วก็ไม่วายที่จะแบกจะหามแล้วหามมาเพิ<ๆ>่มเติมเรื่อยๆไม่ว่าหว่าน้อยเท่าแก่ชราเป็นตัวขยันที่สุดก็คือการแบกการหามอารมณ์ความคิดความปรุงต่างๆไม่ได้คิดถึงคําม้คิดคํานึงถึงไว้ ถึงปีถึงเดือนถึงอายุสังขารจะพล้องเลยขยันที่สุดก็คือเรื่องแบบเรื่องหามกองทุกแบบสัญญาอารมณ์การพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้เราระลึกตัวของเราให้เรารู้ว่าเราเคยเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วยังจะฝืนให้เป็นอย่างนี้อยู่เหรอผลที่เป็นมาเพราะการทําอย่างนี้เป็นอย่างไรเราก็ทราบ ต, ตัวเราเองแล้วเวลานี้เราจะแก้ไขตัวของเราอย่างไรถึงจะให้เบาบางลงไปบ้าง พอไดมีความผ่อนคลายปัญจิตใจได้รับความสะดวกกายสมาจใจหลังที่เราท่านทั้งหลายได้รู้สามานี้ก่อนนันว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิง่งเป็นเจรนาที่ดีที่สุดคือมาบำเพ็ญ น, นี่คือว่ามหาสาระุนสาระประโยชน์ท่า น, นจนึงปรินนาบำเพ็ญพิทตาธรนาให้เหมาะสมกับการเวลาที่มา นัสมาิภาวนาะดูตัวของเราตัวของเรามันเป็นยังไงถึงต้องดูอถ้าเป็นคนไข้ก็ต้องหมอเป็นผู้ตรวจ ผ, ผู้รักษาแล้วจิตมันเป็นโรคเป็นโรคอะไรใายจะเป็นหมอเป็นผู้ตรวจผู้รักษาเนี่ยนี่สำคัญโรคของจิตคือเรื่องของกิเลสยาก็คือทำหมอก็ได้แกครูแก่อาจารย์ที่ตำหนับตาําราท่านสอนเอาไว้นํามาประพฤติ ป, ปฏิบัติกําจัด โรคเชื่อโรคอันสำคัญที่มอนฝังอยู่ภายในจิตใจนีอย่างจมมิดถอดถอนด้วยความภาพเพียงอย่าลดละคอยหลังความหวังที่ปรารถนาด้วยกันนั้นจะพึงสำเร็จไปโดยลำดับลาดับแต่เพราะอย่างยิ่งคือการพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องคันเรื่องความเป็นความตายในสกณกายของเรานี้เป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าเราจะไปคิดถึงเรื่องอื่น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 โทษได้แก่พิเลตอาสวะได้แก่ความรุ่มหลงตามที่เหลตปัญหาสาาวะคุณก็คือได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรที่จะดื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจของตนให้กลายเป็นผู้ฉลาดแหลมคมขึ้นมาหลุดพ้นออกจากแอบที่มันกดถ่วมหรือ ก, กดดูบนคอนได้แก่หัวใจของเราโดยลําดับลําดับจนกลายเป็นอิสระขึ้นมาได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่าน นีหมดพระพุทธเจ้าท่านหมดหมดสินกดทวงทั้งหลายอะไรกดทวงยึดอะไรหลงอะไรอันนั้นเนีะยกดทวงความยึดความถือตัวของตัวเองนั่นแหลมันมากดทวงตัวเองไปยึดภูเขาทั้งลูกภูเขาไม่มากดทวงเราแต่ความยึดนั้นภูเขาทั้งลูกนั่นแล้มันมากดทวงเรานี่อ้าวยึดอะไรหลงอะไรความยึดความหลงอันนั้นแหลมมันมากดมาทวงมาบีบ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 การภาวนาก็ครับเพื่อให้รู้เรื่องความขนองของใจที่คิดไม่เข้าเรื่องเข้าราวเหล่านี้เนี่ยสั่งสมทุกให้แก่ตนเองมากเท่าไรยังไม่เคยเห็นโทษข้งมัเมื่อได้เรียนทางด้านภาวนาแล้วเริ่มจะทราบไปโดยลๆๆๆําดับลาดับจนเข้ามา ถ, ถึงเรื่องธาตุเมืองขันันเป็นสมบัติสําคัญของเราได้แก่ร่างกายอ่ะย่นเข้ามาตรงนี้ร่างกายทุกส่วนนี้มันก็จะต้องสลายไปในวันหนึ่งทุกวันนี้มันก็เริ่มเข้ามันอยู่แล้วตลอดมา เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันแต่และชิ้นละอันนี้มันทำความทุกข์ร้อนให้แก่เรามาก น, น้อยเพียงไร้ามันออกอย่างเปิดเผยก็ทราบท่านว่านี่มันเจ็บตรงนนปวดตรงนี้นนนเจ็บท้องปวดตรงเป็นต้นทำไม่แสดงอย่างเปิดเผยก็เป็นมีลับเราไม่ทราบอเรื่องธาตุเรื่องขันเปลีย่ยงนี้เวทนากับความทุกข์คือทุกขเวทนาบียึอยู่ทั้งนั้นแหละยืนเดินนั่งนอนมันก็บีบบังคับอยู่นั้น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 พระพุทธเจ้าจึงไม่มทรงเฉยว่านั่นเป็นความฉลาดอย่างแท้จริงความฉลาดไดที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแต่ตนและส่วนรวมนั่นแหละคือเป็นความฉลาดแท้แต่เพราะอย่างยิ่งความฉลาดเอาตัวรอดนี่เป็นสำคัญตัวรอดได้ก่อนแล้วก็นำผู้อื่นให้รอดพ้นไปได้โดยลำดับลำดับนี่คือว่าความฉลาดการแสดงธรรมกเห็ น, นะนว่างกขอยุตติเพียงเท่านี้